นำมาทำและรูปธรรมแห่งความเป็นมนุษย์ย่อมไม่อาจบังเกิดขึ้นได้จากมหานิทานสูตรชีวิตมนุษย์นับเริ่มจากวิญญาณแรกมาปรากฏในคันมันดาจนกระทั่งถึงมรณะจากตติยะปาราชิกสิขาบทความเป็นมนุษย์ย่อมไม่อาจปรากฏด้วยกรรมที่เกิดแต่โลภะโทสะโมหะเลยจาก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 สำหรับคนใจคอเยี่ยมโหดหมกมุ่นในการประหัดประหารคือมีอายุสั้นสำหรับคนผู้ชอบทำร้ายสัตว์คือมีโรคมากสำหรับคนที่ยักยอกทรัพย์ไว้มากคือสมบัติพินาศสำหรับคนที่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นไว้มากคือมีศัตรูและถูกจองเวรสำหรับคนพูดเ ท, ท็จไว้มากคือถูกกล่าวตู่สำหรับคนพูดยุยงให้เขาแตกกันไว้มากคือแตกคอกับนิตร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 ผู้ทรงเห็นการเวียน่หวตายเกิดเหมือนคนตาดีเห็นการเดินทางไกลของเหล่าคนตาบอดที่หลงกระเซกกระเสิงในถ้ำกลางเปลวแดดร้อนแรงไม่รู้ตัวว่ากำลังพละจากที่ใดไปสู่ที่ใดโลกมนุษย์นี้เปรียบเหมือนใต้ร่มไม้ใหญ่อันเป็นที่พักกลางทางกันดานนับว่าสบายพอสมควรแล้วไม่ทุกทรมานมากแล้วและหากพิจารณาว่า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 เครียดเก่งกินเหล้าสูบบุหรี่ทีบ่อยเขาก็มีลูกกันได้แถมมีได้เร็วเสด้วยโดยเฉพาะตอนกำลังกลุ่มๆเรื่องเงินเรื่องทองไม่พอใช้อยู่นั่นเองอย่างนี้แปลว่าเห็นทีคำตอบทางการแพทย์จะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเป็นแน่นับวันวิทยาศาสตร์ยิ่งยืนยันกับเราว่าแค่ธรรมชาติฝ่ายรูปธรรมอย่างเดียวไม่เพียงพอจะทาให้เกิดเด็กในท้อง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 ไม่หลักทรัพย์แต่อยากให้เขามีเงินทองเพิ่มด้วยซ้ํา 3. ไม่ผิดลูกผิดเมียแต่อยากส่งเสริมให้เขาซื่อต่อกันด้วยซ้ํา 4. ไม่โกหกแต่อยากช่วยให้เขารู้ความจริงอันเป็นประโยชน์ด้วยซ้ํา 5. ไม่เสพสุรายาเมาแต่อยากพัฒนาสติให้ดีขึ้นด้วยซ้ายิ่งรักษาได้มากข้อเท่าไหร่ยิ่งอยากทาเป็นตรงข้ามกับบาปแค่ไหน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 แบ่งความดีความชอบและเรื่องดีๆให้คนอื่นร่วมปลื้มไปกับคุณงามความดีของผู้อื่นหมั่นฟังธรรมะหัดส้อนธรรมะตลอดจนดัดแปลงความเห็นผิดๆอันเป็นโทษของตนให้กลายเป็นความเห็นถูกเห็นชอบเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ก็นับว่าใช่ไม่มีเว้นคิดง่ายๆทำกรรมใดก็ตามถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังเป็นมนุษย์ต่างจากสัต ที่เห็นแก่ตัวต่างจากปีศาจที่ดุร้ายกร้าวกระด้างล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้มีสิทธิ์เข้าท้องมนุษย์ได้ในชีวิตหน้าทั้งนั้นและเมื่อมองเห็นจากปัจจุบันว่ากรรมใดบ้างที่ทำให้มีจิตสำนึกแบบมนุษย์ <c oughs> ก็จะมองย้อนกลับไปอนุมานได้เช่นกันว่าในอดีตเราเราท่านท่านต้องเคยทกากรรมอันสมควรกับการเป็นมนุษย์ไว้ก่อน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 และเมื่อคำนึงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราจะเลิกหลงโนงว่าโชควาสนาดีกว่าใครแบบ ล, ยลอยๆและเราจะเลิกฟูมฟายในความเป็นคนโชคร้ายเพราะถูกแกล้งเพราะไม่มีใครแกล้งเราแต่เราวางกับดักหรือขุดหลุมพรางล่อไว้เองยิ่งละเมิดศีลห้ามากขึ้นเท่าไหร่ชำนาญงานบาปขึ้นแค่ไหน โชควาสนาก็ดิ่งลงเหวเคราะซ้กำกรรมสอนได้มากขึ้นเท่านั้นณที่ที่กรรมผล็ดผล